วิสัชนาธรรมกับท่านหลวงการและหลกสักดิ์ีนาริโยพรพุทโธสติอยู่กับกายสติอยู่กับใจ ปล่อยวางอะค่ะปล่อยวางกับอะไรอะไรหลายๆอย่างบางทีเมื่อก่อนเราจะไม่ใช่ปล่อยวางกับอะไรจะเครียดจะเครียดจะอันนั้นไม่ได้อย่างนี้อันนั้นต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะรู้สึกปล่อยวางกับอะไรที่เรามองแล้วเออบางสิ่งบางอย่างมันก็ดีมีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ต้องแบบเหมือนทำใจเราให้ปล่อยวางอะค่ะมันก็เลยเหมือนไม่ทุกข์ เหมือนไม่เครียดเหมือนไ ม, ไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยปฏิบัติไหมก็ก็สวดมนต์บ้างแต่ว่าอยู่ที่เวลาว่ามีเวลาก็ทำภารกิจที่แบบว่าไม่มีเวลาก็ไม่ได้ทำแต่ว่าใจก็ยังเหมือนว่าใจใจรู้สึกสบายคือเราไม่ไม่ต้องแบบว่ากาหนดว่าเราต้องทำตรงต้องทำอย่างนี้นะต้องทำทุกวันนะมันเหมือนเป็นบังคับเกินไป แต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำในเวลาที่เรามีเวลาแล้วสบายใจกว่าที่ไม่ต้องไปบังคับว่าเออต้องทำนี้นีนนะ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้ก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเออสบายใจนะเราเราก็คิดดีทำดีอยู่แล้วแต่ว่าการปฏิบัติเราอาจจะไม่ร้อยเปอร็เตแต่ว่าในเมื่อมีเวลาก็ทำค่ะในตรงนี้มันหลักทำเลยนะในปล่อยวางนะอันนี้ปล่อยวางเนี่ยนะคือปฏิบัติแล้ว ปล่อยวางตลอดเวล า, าปล่อยวางหมาถึงว่าอย่าไปยึดไม่ยึดอะไรให้เป็นทุกข์ค่ะนั่นแหละอันนี้เนี่ยถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์พุทธศาสนาหัวใจอยู่ตรงปล่อยวางนี่แน่เพราะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบที่เราต้องไปนั่งสมาธิหลับตา น, นิ่งๆไปเดินจมกลมช้ชาๆแต่ใจเราปล่อยวางทุกอย่างอันนี้คือการคือเนี่ยคือหัวใจของธรรมะคือหัวใจของพุทธศาสนาคือการปล่อยวางถ้าใจเราปล่อยวางทุกอย่างจริงๆเนี่ย นั่นะคือถึงทํามนะต้องถึงทํามไปวางได้หมดก็รรมรรลุธรรมคือบรูร้ลุธรรมอะไรคือบรรลุความพ้นทุกข์ถ้าเราไม่ยึดเราก็ไม่ทุกข์รรเราไปวางหมดไม่ยึดอะไรเลยก็ไม่ทุกขนะ์อันนี้คือการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมคือเราต้องมีกําหนดเวลาเวลาเท่านี้ต้องทําอย่างนั้นเวลาเท่านั้นต้องทําคีดต้องทําท่าทยยงนั้นต้องทำธาทุาทยอย่างนี้นนนนไม่ได้ไปกําหนดอย่างนั้นหรอกคือใจของเราดูที่ใจของเรา ถ้าเราปล่อยวางจริงทุกอย่างมันก็คนทุกได้จริงค่ะเราก็จะรู้ตัวของเราเองจริอันนี้เนี่ยถูกต้องแล้วที่เราว่าเราปฏิบัติการปล่อยวางถูกต้องแล้วมีอะไรสงสัยแม่ก็ดีนะถึงว่าเอ๊นะทาไมมันดังสีจิตมันไม่ออกมาดำำําคไม่แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่เครียดดูไม่ทุกข์ไม่เครียดตอนที่บอกว่าได้ปฏิบัติอะไร พเจริงการปล่อยวางนี่คือการปฏิบัตินะพวกที่ปฏิบัติบอกมีแต่ท่าร่างมากๆนั่งสมาธิมากๆเดินจงกรมมากๆแต่ใจไม่ปล่อยวางอันนั้นมันไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติคือการปล่อยวางแล้วอีกอย่างหนึง่งเหมือนโยมเวลาอย่างลูน้องทําอะไรแบบไม่ใช่แบบที่เรานั่นคือก็เหมือนมีสติขึ้นนะค่ะแบบออไม่ไม่ไม่มโหนะไม่มโหอะไรเย่างี้ คือดึงจิตกลับเข้ามาเร็วขึ้นเมื่อก่อนเวลาโมโหเราก็จะปล่อยแบบอารมณ์ออกไปอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เ อ, อรู้สึกว่าเออเรามีสติขึ้นเออเวลาเราจะโมโหเรารู้สึกตัวอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะหมายถึงว่าจิตจิต ด, ดีขึ้นใช่ไหมคะอันนั้นะคือการปล่อยวางน ะ, ะคือมันมันก็มีอารมณ์เกิดโกรธขึ้นแล้วก็ปกติมันก็มีกระทบจะเป็นปกติมีอารมณ์ตามปกตินั่นแหล ะ, ะแต่เราปล่อยวางคือมีอารมณ์แล้วก็แล้วไป ไม่ไม่ไม่ไหลไปตามอารมณ์แล้วไม่เอากลับมาค้างคาใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียดแล้วก็ไม่ดําครับจิตยมรู้สึกผ่องใสขึ้นใช่ไหมครับเออดีถูกต้องถูกต้องคือก็สงสัยไงว่าเออเขาบอกว่าไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่ทําไมมันไม่ไม่ไม่รังสีจิตไม่ไม่ดำไม่ไม่ไม่ค้ําไม่มันแล้วก็มันผ่องใสไม่ทุกข์ไม่เครียดถูกต้องแล้วครับ ก็ดีใจค่ะที่แบบเออพระอาจารย์มองเห็นโยมบอกเออรู้สึกว่าเออจิตจิตใสขึ้นก็พยายามนั่นแหละค่ะพยายามให้จิตใสไม่ขุนมัวในใจก็คิดว่าเออบางทีเราไม่ได้ปฏิบัติที่นั่งสมาธิอะไรอย่างที่พระอาจารย์บอกแต่ว่าเออเราเรามองใจเราเองว่าเออวันนี้เราไม่เป็นทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นคือถึงเวลาที่มันจะเป็นไปถึงเวลาอะไรมันก็เข้ามาเองเหมือนเราทุกข์ว่าเอออันนี้ยัง ไม่พอนั้นยังไม่ใช่แต่ว่าโยมก็คิดว่าเออถึงเวลาก็มาเองอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาก็ได้มาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกเหมันสบายใจขึ้นพอใจเราดีแล้วมันลูกอย่างมันดีเองใช่ไหมคะเดี๋ยวการค้าขายก็ดีพอใจเราดีแล้วมันจะเริ่มค้าขายดีเราสังเกต ด, ดูพอใจเราปล่อยวางแล้วเนี่ยจะกลับค้าขายดีแต่ถ้าใจเรายึดมีความทุกข์ความเครียดอันนี้ก็ยึดอันนี้ก็ยึด ดำคล้ำไปหมดเลยลังสีจิตกระดำคล้ำหน้าตาก็หมองคล้ำดีใจก็เป็นความทุกข์ความเครียดค้าขายไม่ดี<ข>คือมันมีก็เรียกว่าอะไรลังสีอ ม, มหิตรังสีอ ม, มหิตมันออกไปรอบตัวแล้วคนก็ไม่อยากเข้ามาในร้านไม่อยากเข้ามาใกล้ค้าขายก็ไม่ดีคือขายเข้ามาใกล้ก็มันก็รูร้สึก ไ, ไม่สบายใจแล้วก็ไม่เขาก็เลยเขาเป็นต้เหตุว่าทำไมเขไม่สบายใจก็เขาไม่อยากเข้ามาใกล้แต่ความจริงก็คือมันมีรังสีอ ม, มหิตออกไปเท่านั้ะเองแต่ถ้าเราเนี่ย<ม>เราปล่อยวางปล่อยวาง ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางจิตใจมันก็ไม่ทุกข์ไม่เครียดหน้าตาก็ผ่องใสจิตใจก็เบิกบานรังสีจิตมันก็สว่างสายออกไปกลก็คนก็เข้ามาใกล้รารู้สึกว่าสบายใจขึ้นเราก็เลยค้าขายของดีขึ้นน่นแหละพอจิตใจดีอะไรมันก็ดีหมดเ่ยจนจะไปปฏิบัติต่อแบบเออให้ให้มองเห็นตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันะจะได้แบบ ไม่ต้อง <c oughs> ยึดอะไรอย่างที่บอกค่ะในปัจจุบันนั่นะครับนถ้าเกิดเราสังเกตดูใจเราไม่ปล่อยวางอะไรแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปอะไรเกิดขึ้นเนี่ยลมอะไรเกิดขึ้นก่อแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปอันนี้คือปล่อยวางไม่เอามาเก็บค้างไม่เอามาทําให้คุณมัวในใจเลยอันนี้นี่เราทุกนาปัจจุบันให้สังเกตว่าแล้วก็แล้วไปจริงหรือเปล่าแล้วก็แล้วไปจริงหรือเปล่า ไม่ไม่ไปกังวลกับอนาคตอดีตมันกระทบอะไรแล้วก็แล้วก็แล้วไปกระทบอะไรแล้วก็แล้วไปกระทบอะไรแล้วก็แล้วก็แล้วไปไม่กังวล ก, กับอนาคตปัจจุบันดีจิตใจไปวางจิตใจผ่องใสเดี๋ยวมันก็ดีเองทุกอย่างก็ดีคบางทีก็คิดถึงคําที่พระอาจารย์เคยสอนแล้วก็เออบางทีเราคิดไปพระอาจารย์ลงสักดสอนนี้นะอะไรเงี้ยก็ก็คิดนะคะก็มันก็มีสติขึ้นอะไรเงี้ยบางครั้งก็มีสติขึ้นอะไรบางทีเรา หลุดบ้างอะไรเงี้ยเออแล้วก็คิดแล้เออท่านสอนแบบนี้ท่าอาจารย์สอนแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คิดอยู่เหมือนกันดีละดีดีดก็คิดว่าก็คิดอยู่เหมือนกันว่าไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้เราจะอยู่ได้อีกอกีก่วันอะไรเงี้ยก็พยายามมีเวลา แ, แบบนี้มันทิ้งมันทิ้งปล่วางได้ แต่จริงๆ ค, นนคิดแบบนี้เหมือนกับเรียนี้ถึงปล่อยวางได้อแต่คนเรามันคิดยาวมากเลยจะจะอยู่จนอีกไม่รู้กี่ร้อยปีไม่ยอมปล่อยวางอะไรเลยไอ้นี่เนี่ยนี่คือหัวใจเลยล่ะที่ว่าเนี่ยเราปล่อยวางได้เพราะเราคิดว่าเราไม่รู้ชีวิตเราจะอยู่ได้ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่ามันถึงปล่อยวางทุกอย่างได้ไงแต่คนไม่ปล่อยวางอะไรมันโอ้มันเท่ากับจะไม่ตายเลยในในในชีวิตนี้เลยยึดไปหมดทุกอย่าง <c oughs> เราไม่รู้จะมีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่า เราเลยปล่อยวางอะไรหมดแล้วก็แล้วไปไม่ต้องไปกังวลกับอ น, น, นาคตไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอย่างพวกนี้เป่าเลยปัจจุบันเราเลยปล่อยวางได้การ<อ>คิดอย่างเงี้ยดีถูกต้องแล้วถูกต้องใช่ไหมคะบางทีตอนที่หลวงพ่อไม่สบายอยู่โรงพยาบาลโยมก็ทํากับข้าวไปถวายหลวงพ่อทุกวันตอนเช้าเราก็เห็นมองคนที่แบบเออนี่นะเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เจ็บป่วยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามมาเออถึงเวลาเราก็คงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็จะคิดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออเนาะมันก็คงตามการเวลาที่เราต้องเป็นไปแบบนี้ต้องมาหาหมอต้องมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นคนโรงพยาบาลก็ปล่อยวางเลยนะคะเออมันต้องนะเราเราก็เป็นเช่นนี้แล้วน้อมมาสู่ใจถูกต้องแล้วอันเนี้ยการกระทําเช่นเนี้อ่าให้มันพินํามาพิจารณาแบบเนี้ยไปบ่อยไปบ่อยไปบ่อทุกวันทุกวันวละวันละหลายๆครั้ง แต่ลรน้อมจกมนกระทั่งมันรู้สึกถึงใจมันมันแทบจะไม่ต้องว่าไปบังคับให้มันน้อมคือมันรู้สึกถึงใจเราจริงๆว่าเนี่ยที่สุดเราก็เนี่ยสมมติร อ, อโอดโออยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ย <c oughs> ในสุดก็ไปตรงดับไปทุก อ, อย่างเอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวคก็ก็รู้สึกว่าเอออยากทาวันนี้ให้ดีที่สุดหมาถึงอยากทําอะไรอยากมีอะไรก็เออมีนะ ตอนนี้โยมกำลังปลูกกระทบกระทบที่สวนก็เออเราอยากมีตรงนี้เหมือนว่าชีวิตเราไม่มีแบบบ้านเป็นส่วนตัวเองก็เลยมาปลูกกระทบที่ไร่อยู่ค่ะตอนนี้กําลังสร้างอยู่ก็แบบเออหนะาสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเราอยากทําอะไรก็ทำอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องไหมคะใช่ค่ ะ, คะก็เลยว่าเออมันจริงๆล้วก็ตัดสินใจอยู่นานว่าทํำไหมไม่ทํา คือมันการเป็นห่วงไหมเป็นเป็นห่วงที่เราเป็นห่วงไหมทําห่วงขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจอยู่เหมือนกันก่อนที่จะทําก็ไม่สบายใจพอเรามีบ้านมีอะไรกระตุกเป็นห่วงไหมมันจะเป็นห่วงเหมือนเป็นขู่ห่วงขึ้นมาไหมอีกใจหนึงคิดว่าอ่ะนะสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่เราอยากเราอยากทําอะไรเราอยากมีอะไรก็มีมีบ้างให้มันเป็นความสุขในชีวิตบ้างถูกต้องไหมครับอาจารย์อืมถ้าเรามีแล้วเราไม่ไม่เอามาเป็นห่วงเป็นยึดเอามาเป็น ห่วงผูกใจไว้ก็ไม่เป็นไรสำคัญต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดว่ามีอะไรแล้วเอาสิ่งที่มีนั่นแนหะมาเป็นห่วงผูกใจไว้ให้ปีดความทุกข์ความเครียดมีความกังวลไหมถ้าเราเนี่ยไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่กังวลกับสิ่งที่มีทั้งหมดแหละว่าเราตายแล้วสมบัติกับผัดกระชมเขาก็ไปเป็นของคนอื่นไปก็เป็นเรื่องของเขาสมบัติกระผักากระชมผิวโลกอันนี้เราก็ทําไว้่ะเราอยากจะทําก็ทำเอาไว้แต่เราไม่ไม่เอามาเป็นภาระของใจไม่ไปห่วงกังวล เราก็ไม่เป็นไรก็ทำไปได้ใช่ไหมคะก็ไม่ไม่ห่วงเท่าไหร่พอทําทีแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเออเราเหมือนสร้างสมบัติขึ้นมามันจะไปห่วงสมบัติไหมเราก็เออช่างใจอยู่ก็เออถ้าทําไปแล้วเราไม่จะ้ไปห่วงมากก็ก็ลองดูดองใจดูค่ะว่าเออถ้าทําแล้วมันเป็นห่วงขึ้นมาไหมก็พอทําแล้วก็ก็อาจจะมีบ้างที่จะคิดตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ห่วงถึงขนาดเป็น เป็นบ่วงขู่ว่าเออเราไปห่วงสมบัติอยู่อะไรนี่เขไม่ห่วงก็คิดนะคะว่าเอออย่างพระที่มาไม่มีที่พักอะไรอย่างเงี้ยโยมก็สามารถบอื่อนนิมนต์ไปพักอะไรเงี้ใจคิดอย่างนั้นนะคะให้ไปพักที่มันเป็นสัปะยะที่มันเงียบๆตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดอย่างนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ออย่างนี้ก็ได้ก็<ช>อีกอย่างหนึ่งคือเราสังเกตดูว่าเราจะห่วงไหมคือเวลาเราไปไปไปสร้างเสร็มาแล้วเนี่ย เราไปที่อื่นเนี่ยใจเราห่วงไหมห่วงเอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับไปที่นั้นไห ม, มถ้าอย่างเงี้ยเป็นห่วงอหละเป็นภาระอย่างเงี้ยตายแล้วเดี๋ยวจะเป็นผีเฝ้าที่นั้นใช่ไมหมคะยงก็คิดนะคะก็ว่าเออมันจะเป็นในส่วนนี้ไหมแต่ว่าแต่เราก็ต้องเกตุตัาอ่านใจเราให้ขาดว่าเวลาเราไปสร้างแล้ ว, ลวเราเราไปที่อื่นเนี่ยใจเราห่วงบ้านไม่อยากกลับบ้านอันนี้ตายแล้วเดี๋ยวเราเป็นเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นงูเฝ้าเจ้าที่เกิดไปเป็นเกิดเป็นงูเห่างูเหลือม ยู่ในที่นั่นแหละไม่ไปไหนแล้วจริงๆยมก็ยมก็คิดเหมือนพระอาจารย์พูดนะคะว่าเออเฮ้ยถ้าเราจะเป็นห่วงเกินไปไหมที่เราแบบมาห่วงบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พยายามจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะบอกว่าต้องสังเกตดูใจตัวเองเรื่อยๆนะต้องสังเกตใจตัวเองใช่ไหมคะก็ก็ก็จะลองปฏิบัติดูแต่ว่าไปทำอะไรแล้วแล้วมันมีอะไรเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์เป็นห่วงเป็นกังวลอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้เลยเพราะาอันนี้ยึดแล้วยึดใช่ไหม แต่ถ้าเราเนี่ยไม่ยึดเราอยากทำก็ทําไปถ้าเราไม่ยึดไม่เป็นห่วงไม่เปะไม่เอามาเป็นภาระใจเป็นหว่วไปกองบนเขาตายไปคนอื่นก็เกาะไป อ, อย่างนี้ก็ทําได้เราอยทําอะไรก็ทําได้จะมีอะไรก็มีได้ทํามีแล้วไม่ยึดค<อ>แต่ต้องอา่านใจให้ขาดพอเราไปไหนแล้วห่วงบ้านคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านห่วงบ้านคิดถึงบ้า น, ค, นคิดถึงนู่นคิดถึงนี่อยากกลับบ้าน สถานที่เราไปกับที่บ้านมันแตกต่างกันเราอย า, อยากอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานคิดถึงบ้านอะอย่างเนี้ย ม, มันยึดนะ้อันนี้นิดนึง่วงเ้าตายแนละ้วโอกาสไปเป็นผีเฝ้าบ้านสูง<ช>สู ง, <ช>สงมากเลยอันเนี้ย ไ, ไปเป็นหมูเฝ้าบ้านไปเป็นมูเจ้าที่อันเนี้ยเนะี่ยอันนี้สูงมากมีโอกาสสูงมากเลยต่ออาจจ่านใจเราให้ขาดลกตายเลย ไม่สร้างวัดอะไรเลยเป็นของตัวเองสร้างมสร้างให้เขาหมดเลยดีค่ะยมคิดว่าอย่างนั้นนะคะสร้างมาหลายวัดแล้วเนี่ยหมดหมดเชื้อเขาสร้างหมดเป็นร้านๆทั้งหลายวัดแล้วแต่ไม่วัดของตัวเองไม่มีสักวัดหนึ่งดีแล้วค่ะหมายถึงว่าวัดเยอะแยะใช่วัดที่สร้างแล้วมันไม่ได้ดูแลมันก็มันก็เหมือนสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีประโยชน์เลยเลยที่สร้างใหญ่โตเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้ทําประโยชน์กับไอ้ที่ก่อสร้างที่แบบสร้างขึ้นมาวัตถูกขึ้นมาแต่อย่างพระอาจารย์ที่แบบว่า สร้างคนสร้างลูกศิษย์ลูกคหาที่สอนปฏิบัติอะไรเนี้ยโยมโยมโ ย, ยมหินดีด้วยนะคะที่ไม่ต้องแบบอุ้ยต้องมาแบบใหญ่โตต้องมาทุกอย่างมีเพียรพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสร้างคนดีกว่าโยมคิดช่สร้างคนเนะ่ยสุดยอดแล้วคะ่ะดีก่กอไปเรื่อยเนี่ยอะไรนะธรรมมาสัญจรไม่หยุดเลยเนี่ยสร้างคนไปทั่วอะไนีย่ยังไม่เคยหยุดเลยเนะ ดีค่ะดีค่ะดีค่ะเราค <c oughs> ิดแล้วเราตายเราตายตรงไหนเขาก็ไม่อยากเก็บเราไปแล้วมันเป็นเน่าเดี๋ยวเขาก็เผาเราเองเนี่ยเขาจะกังวลตายตรงไหนก็ได้พระอาจารย์คิดถึงเราแต่เพราะว่าเขาก็ไม่เก็บเราไปหรอกเขาก็เผาเราแล้วก็สร้างคนเลยไปอ่ะจนกว่าเราจะหมดแรงค่ะสร้างคนไปสอนคนออดีแล้วช่วยกันปฏิบัติ แจะได้เก er, ื้อกูลคนอื่นได้ด้วยช่วยแนะนําคนอื่นได้ตัวเองให้หลอดสักเัดตัวเองยังยึดนั่นยึดนี่มันช่วยคนอื่นไม่ได้เพราะตัวเองยังยึดอยู่จะไปบอกให้เขาไม่ยึดยังไงตัวเองยังยึดได้เป็นตัวตั้งบ้านบางทีก็อย่าให้แบบเห็นหลายหายก็ไม่อยากจะพูดนั่นคือจะเป็นแบบมันเหมือนถ้าเป็น พระพันธุใหญ่แล้วก็จะยึดเหนี่ห่าก็จะยึดอันนี้แบบเ อ, อ็ไม่รูุเหมดกันเอาเราดีกาาแกเอาเราเอาเราเป็นสำคัญใจเร า, า, เาให้มันตื้นยึดที่ใจใครก็จะเป็นไงช่างเขาเใจเราเนี่ยปฏิบัติให้เป็นนิพพานเป็นพอคือให้มันสิ้นยึดเป็นพอใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขาใจเราตื้นยึดเป็นพอให้ท่องไว้แค่นี้เลยอีกอย่างหนึ่งการที่โยมคิดบอกว่าเออ ไม่จําเป็นต้องยึดกับครูบาอาจารย์องค์ไหนก็คือได้หมดอย่างเงี้ยหมายถึงว่าไม่ต้องยึดต้องโอ้โหไปไปหาหลวงพ่อองค์นู้นหลวงพ่อองค์นี้หลวงพ่อองค์นั้นอะไรอย่างเงี้ยโยมทิศถูกไหมคะที่ว่าโยมปฏิบัติเหมือนตัวเราปฏิบัติไม่ต้องไปยึดกับพระอาจารย์องค์นู้นองค์นี้อะไรเงี้ยถูกไหมคะรู้ว่าไม่ถูกก็ถูกต้องแล้วเราเอ า, เอาคําสอนของพระเจ้าแล้วองค์เอาคําสอนพระเจ้ามาสอน ให้เราปล่อยวางไม่ใช่ไปยึดอะไรไม่ให้ปล่อยวางแม้แต่ไปยึดครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่อีกครับมันต้องปล่อยวางแม้แต่ครูบาอาจารย์ไม่ยึดอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่เอาคําสอนมาทําให้เราเนี่ยสิ้นยึด<ม>แต่เอาคําสอนเราแล้วกลับไปยึดไม่เอาคําสอนกลับไปยึดครูบาอาจารย์ก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเอาทำนะเอาทำมาปฏิบัติให้สิ้นยึดให้มันสิ้นยึดสิ้นห่วงสิ้นกังวล ถ้าเรายึดอะไรมันก็จะเป็นห่วงเป็นกังวลถ้าเราสิ้นยึดมันก็จะไม่ห่วงไม่กังวลเราก็บอยบินเหมือนเหมือนนกไปบินไปไม่ไม่ห่วงไม่กังว <planes. S 1> เลเรียกว่าจิตเป็นอิสระเป็นสุขที่สุดในโลกจิตที่ยึดมันเป็นห่วงเป็นกังวลเป็นภาระเป็นทุกข์ในโลกจิตที่สิ้นยึดมันก็ไม่มีห่วงไม่กังวลเหมืนอนบยบินไปโดย อ, อิสระไปดีบินไปในท้องท้องฟ้ากว้างใหญ่ เราจะไปไหนก็ไม่กงวลกังวลจะไปตายตรงไหนก็ตอนนั้นชีชวิตที่เหลืออยู่มีก็มีประโยชน์ต่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็ทำตนใด้ถึงที่สุดหรือให้ควาให้คนให้สิ้นยึดไปสิ้นยึดก็สิ้นทุกข์ที่เหลือก็ทำประโยชน์ท่านชีวิตที่เหลือก็ทำประโยชน์นี่ยสร้างคนเลยไปเหมือนตอนเนี้ยสร้างพระไม่ได้สร้างพระสร้างพระไม่ถึงเพื่าสร้างคนให้เป็ nah, pareil, นพระสร้างใจคนสร้างใจคนสร้างใจคนให้เป็นพระไม่ถึงเพ่าไปหัวพระแล้ว ใจคนเนี่ยปวดทิศให้มันถึงใจไม่ว่าจะเป็นพระปิ ส, สุหรือว่าเป็นคารวัตให้มันถึงจิตถึงใจทิศทิศทิศยึดกระสินทุกอันไหนเรียกว่าบวดใจแลนะไปเอาบ้านบวดใจหมายถึงว่าให้ใจเนี่ยสิ้นยึดอันไหนเร็วกว่าบวดใจมาเ่อบวดเป็นหัวผ้าเหลืองแล้วก็อธิษฐานเอาบ้านเอาร่างกาย เอาจิตใจซึ่งเป็นรูกใบธนาสัญญาสถานวิญญาณขันธ์ห้าเนี่ยเป็นวัดแล้วก็เอาจิตสิ้นยึดเนี่ยเป็นพระคือตัวเรานี่แน่คือจิตสิ้นยึดเนี่ยเป็นพระไม่ใช่ว่าเอาการภายนอกเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กเป็นหัวเปเหลืองผม้าวอะไรใจที่สิ้นยึดเนี่ยเป็นพระแล้วแล้วก็พระเนี่ยคือใจที่สิ้นยึดนต่แน่อธิษฐานให้อยู่เอาขันธ์ห้าเนี่ยเป็นเครื่องอาศัย อาเป็นวัดเป็นเครื่องอาศัยเอาบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นวัดเป็นเครื่องอาศัยจนกว่าจะถึงวันตายจนกว่าจะข้าถึงสิ้นอายุขัยตามเพศตามปัจจัยนะทุกคนเวลาที่อยู่กันก็จะอยู่ได้แม้แต่คาระวะก็จะอยู่ได้แตสิกงที่โดยอธิษฐานเราขันห้าเนี่ยรางการจิตใจถึงยังมีความรู้สึกมีกิจอารมณ์เนี่ยอาศัยเป็นวัดไปก่อน วัไดไม่ได้หมายถึงว่าอายุมาวัดอย่างนี้ที่เป็นอินปูนทรายมีโบสถ์มีวิหารมีเจดีย์อย่างนี้เราวัดก็คือเนี่ยแหะขันห้าหนั่นแหละอธิษฐานาเป็นวัดร่างกายจิตใจที่เป็นขันห้าแล้วก็เอาบ้านอธิษฐานเป็นวัดขออาศัยเพิ่มขึ้นอยู่อาศัยไปก่อนและให้ใจน่ะเป็นพระเืิดใจที่สิยึดสิ้นยึดก็สิ้นทุกข์สิ้นกังวลตอนนี้จะไปไหนก็ได้ก็ไปกับขันห้าก็าไปกับวัดะ อวัดไปด้วยไปไห น, ไป น, ไปนก็เอาขันท่าไปมันก็อวัดไปด้วยเอาใจไปด้วยเอาพระไปด้วยเอาทั้งวัดทั้งทังพระไปด้วยเอาใจไปด้วยก็ไปไหนก็ไปได้แต่เนี้ก็บอยบินไปสิเป็นอิสระเสรีไม่ต้องห่วงก็ไปนั่นก็จะหว่วงที่จะกลับไปนี้ห่วงหมาห่วงแมวห่วงบ้านห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อุยกังวลไม่หมดได้ไปไหนก็กังวลอยู่ข้างหลังนัเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องกลับไปก็ต้องกลับไปหาต้องกลับไปหามันเหมือนอยางหนังสติดกันเด้งกลับไปมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นอิสระ มันไปไหนก็ถูกยางหนังสติกมันผูกเขาไ ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว้อยางกับสติ๊กยืดๆอะ่ะมันผูกกลับไปกระเด้งกลับไปมันมาได้เชั่อข่าวแล้วก็เด้งกลับไปอีกมาได้เชื่วค่าวแล้วก็เด้งกลับไปอีกอย่างเนี้ยมันยึดมันมีห่วงมีกังวลตายแล้วก็ต้องกลับไปแน่นอนะ <c oughs> เพราะว่าขนาดมีชีวิตอยู่มันยังกลับไปแล้วเดี๋ยวอยู่ได้ไม่นานลๆๆๆแล้วกังวลกังวลและกังวลต็วายละโดนยางหนังสติกกระเด้งกลับไปอีกละดึงกลับไปแหละมันไม่ขาดมันไม่ได้ขาดไปไหนแล้วไปขาด คือจะไปไหนก็ได้ถึงเวลาสมควรก็เราจะกลับเพราะมีเหตุใจให้ต้องกลับไปดูแลแต่ใจไม่ไม่นึกม่คิดถึงเขาต้องกลับไปไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ก็คิดถึงมัต้องอาจจอ่านใจข่ามนคิดถึงเขาหรือว่าเออเราต้องกลับไปทุกคนเราไปต่อไปทุกคนไปต่อไม่มีอะไรเป็นที่ยึดฝากอ่านอย่างนี้เนี่ย โยมโยมถึงไม่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเลยที่มันไปห่วงมันยึดมันต้องไปหาอย่างหมาแมวที่ไม่เลี้ยงเลยเพราะเออเราต้องไปห่วงมันต้องไปแบบไปไหนก็ต้องห่วงอ่ะไม่มีใครเข้าให้มันกินอะไรอย่างเงี้ยโยมโยมไม่ไม่เลี้ยงเลยถามว่ารักไหมก็รักแต่ว่าโยมไม่เลี้ยงเพราะว่าเคยเมื่อก่อนเคยเลี้ยงปลาในตู้ปลาแต่เรากลับบ้านหรือไปไหนมาเออต้องห่วงมันเอามันปลาไม่ได้กินข้าวมันจะตายไหมอะไรเงี้ยกลายเป็นห่วงที่เราแบบไปไหนไม่ ไม่รู้สึกว่าเออไม่สบายใจอ่ะห่วงปลาปลามันยังไม่ได้กินอาหารไม่มีใครเอาอาหารให้กินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งแต่นั้นแบบเลิกเลี้ยงปลาเลิกเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งสิ้นไม่ไม่เลี้ยงเคยเลี้ยงหมาที่บ้านที่บ้านแม่คือวันนั้นมันยังรู้สึกได้เลยว่าเออมันแบบวิงวอนเราคือโดนเขาไปโดนโดนข้างบ้านเบือ่อแล้วเขาก็เหมือนจะตายแล้วเขาก็แบบมองสายตาด้วยสายตาเราด้วยวิงวอนนะคะ ว่าเขาแยกแล้วเขาเขาไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่นั้นพอหมาตายไปแล้วตัวนั้นไม่เคยเลี้ยงหมาเลยรู้สึกว่ามันจะเป็นห่วงมันเป็นทุกข์กับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่นแหละความห่วงเนี่ยชื่อเราก็บอกแล้วว่าวงไปไหนก็ห่วงมันเนี่ยค่ะเนี่ยพระเจ้าจึงบอกว่าความห่วงห่วงเนี่ยเป็นทุกข์ในโลกที่ชื่อลาหุนเนี่ยลูกชายขององคที่ร้องแวแวอะไรชื่อลาหุนเนี่ยห่วงนะห่วงเนี่ยมันเป็นทุกข์ในโลก มันทําให้เราเนี่ยห่วงที่ก็บอกแล้ไปไหนก็ห่วงมันห่วงมันนีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่ทําให้จินไม่เป็นจิตสระไม่พ้นจากทุกข์ก็เพราะว่ามันนี้ก็บอกแล้วไปไหนก็ห่วงมันห่วงปลาที่เลี้ยงไว้ห่วงหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันเป็นห่วงไอ้ห่วงเนี่ยเหมือนมันยางหนักสติ๊กมันดึงกลับไปได้เด้งดึงกลับไปได้เด้อเด้งดึงกลับไปคือเป็นห่วงเขาเขาจะกินข้าวหรือยังจะไปอยู่ยังไงอะไรเป็นห่วงที่ตัวกะจายไปไหนไม่ได้ล่ะมันติดห่วงนี่เน่ยมันก็เลยไม่เป็นจิตสระ ว่าเป็นอิสระนเป็นสุดในโลกไมีอะไรถามมก็จะฟังครับหลวงพยากถามข้อสงสัยเ ล, เล็กน้อยครับคื อ, อผมมามาเมื่อวานก็ฝึกปฏิบัติแนวดูความตายครับแนวรมรณาครับอย่างก็ดู ก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างหลุดบ้างแล้วก็ก็เห็นสภาพก็เห็นจิต ด, ดีครับก็เลยกลับไปแล้วก็วันนี้ลองดูระหว่างทำงานดูซิน้อมระหว่างทางานดูก็ตื่นเช้ามามันยูคนเดียวก็น้อมได้พอกลับไปถึงที่ทำงานก็ก็พยายามน้อมมันก็เป็นความพยายามอยู่ครับพยายามน้อมก็ไปคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยมันเกิดสภาวะที่ว่า อเวลาเขาเขาคุยกันเรารู้เรื่องเรารู้เรื่องเราเข้าใจแต่ว่าลักษณ ะ, ะผมพยายามก็กกจะไปน้อมดูดูเรื่องความตายอยู่อก็เราก็เห็นว่ารู้สึกว่า ล, ล, ลักษณะนี้คือเราเป็นเหมือนทรงจิตออกข้งนอกหรือเปล่าก็คือว่าเราไม่ได้ก็เลยสงสัยว่าเรารับรู้อยู่อยู่ปัจจุบันไหมหรือว่าเราเราเร า, เราหลงมีปอยกัการน้อม อ่าจนจนเพื่อนลงงานบอกว่าอ้าทําไมวันนี้ไม่มีความเห็นอ่าเราก็คือปกติจะเป็นคนพูดเยอะมีความเห็นเยอะ<ม>อา่าพอวันนี้เราก็เป็นน้อมก็รู้ด้วยนี่เราคุยกันแต่ว่าเราสมองมันมันมันไม่อินกับกับปัจจุบันมันจะอินกับเรื่องที่เราน้อมมากกว่าออื<ม>ก็เลยเฮ้ยตกลงเราไปส่งจิตออกนอกหรือเปล่าก็เลยเอา้าลองเลิกน้อมเลิกน้อมก็กลับมาเป็นคนเดิมก็ อยู่ปัจจุบันได้สักพักแลมันก็ฟุ้งเหมือนเดิมครั้นี้ก็พูดเยอะเหมือนเดิมก็พูดเยอะคราวนี้ก็ไปทั้งวันเลยน้อมไม่เป็นทั้งวันเลยจนจนช่วงเย็นๆเอ้าเดี๋ยวเวลาเข้าวัดแล้วก็มาฝึกน้อมอีกก็กว่าจะน้อมกว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวได้นีนก็ต้องใช้เวลาก็เลยสงสัยว่าระหว่างผมน้อมช่วงกลางวันเนี่ยมันเป็นเหมือนสงกิตออกนอกหรือเปล่าครับหรือว่ามันมันมันถูกไหมครับอาจารย์ถูกแล้วแหละแต่เราก็ ให้มันรู้เรื่องงานที่ทํารู้เรื่องการโตรตอบพร้อมที่จะโตตอบได้ตามปกติแล้วก็ข้างในใจเนี่ยเราก็แอ บ, บน้อมเรื่องอสุภกรรมฐานเมื่นุสติกือความตายตายแล้วก็ไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้น้อมเรื่องความตายเพื่อให้ปล่อยวางอย่างที่โยมเขาว่าเมื่อกี้เนี่ยหรือเพื่อนมันลงแก่ใจว่าชีวิตเราจะเหลืออยู่เมือนุ่งนี้ไหมและที่เราเนี่ยเป็นห่วงนั่นห่วงนี่ แล้วเราเนี่ยจะตายแล้วมันจะเอาไปได้ไหมที่ห่วงนั่นห่วงเนี่ยหรือจะทําให้เราว่าเป็นภาระเป็นทุกข์ตายแล้วทําให้เราต้องไปตกอบายเพราะว่าไอห่วงมันมันเนี่ยมันมันถ่วงเราลงตําห่วงเนี่ยเราก็น้อมถึงความตายเพื่อให้ตัดห่วงออกจากใจทั้งหมดว่าเราจะตายแล้วจะไม่ไม่มห่วงร่างไว้แต่เราก็ต้องน้อมอย่างเงี้ยแอบน้อมอยู่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เลยเราก็ทํางานอะไรก็เราก็แอบต้อมในใจเพื่อ ใ, ใจเนี่ยมันรู้สึกจริงจริงๆว่าไม่ช้าหรอ เราก็ต้องตายทุกคนก็ต้องตายไปยไม่มีใครเอาอะไรไปได้เราสัจากว่าคุณกระ บ, บาดแต่เราก็มีทุกอาบุญบาปติดไปลแล้วก็ทุกอย่างก็จะปลดวางหมดสิทธิทบุญระบาดเราก็ไม่คิดว่าจะจะแบกไปทั้งหมดแล้วก็จะจบลงในปัจจุบันคือเราไม่ไม่แบกอะไรไปไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรเลยแล่เนี่ก็น้อมนอม อ, อย่างนั้นนะถูกต้องแล้วแเวลางานภายนอกเราก็คุยเขารู้เรื่อง ข้างในใจเราก็แอบน้อมอยู่ไม่เรียกว่าถอดปิดออกนอกหรอกแต่บางทีมันตอนฝึกใหม่ๆ ม, มันก็ยังไม่ชมํานาญก็คือมันจะหนักมาด้าน น, อน้อมล้วก็ข้างนอกเราก็ได้จะฟังเข้าแต่เราไม่ออกความคิเทนแล้วก็เออมาเพิ่มเพิ่มตรงไหนการรับรู้ข้างนอกเพิ่มนิดนึงแล้วก็น้อมพยยามโอน้อมอยู่แต่อย่าปล่อยขาดเลยถ้าเราปล่อยการน้อมขาดปุ๊บเราออกมารับรู้การพูดคุยกับเขาเราก็เห็นโทษแล้วว่ามันฟุ้งซ่านทั้งวันเลยเนะี่ย เราพูดมากปรุงสานมากแลยไม่มีประโยชน์อะไรตายแล้วมันมีประโยชน์อะไรอันนั้นอนะ่พะพอใจไม่ไม่ปลงปล่อยวางได้อันในทางโลกคืองานก็ต้องทําให้รู้เรื่องใจก็น้อมตลอดเวลาเพื่อให้ให้สิ่งความจิตมั่นผือมัน่นงานทั้งงานก็ไม่เสียแล้วก็ใจก็สิ้นความจิตมั่นผิดมันม่นให้ปฏิบัติเหมือนแบบที่หลวงปู่ทายจารรุตโมท่านให้อุบายไว้บอกว่าเอาอย่างแม่โคเลี้ยงลูกน้อย ปากของแม่โคก็เล็มญ้าเกลืยท้องอิ่มเนี่ยคืองานในปัจจุบันตาของแม่โคก็เหลือบดูลูกน้อยคือเนี่ยอดิมันพิจณาน้อมอยู่ข้างในหรือว่าดูจิตตัวเองดูดูใจหรือน้อมพิจนาความตายเนี่ยก็คือตาเปียกตาก็เหลือบดูลูกน้อยคือน้อมอยู่ข้างในที่เราน้อมถึงความตายมาหนาวสติแอบไปด้วยเนี่ยทั้งไอ้แม่โคเนี่ยที่เล็มญ้าท้องก็อิม่มคือได้ผลงานในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบัน ลูกก็ปลอดภัยคือใจก็โปร่งปวางปลอดภัยจากความทุกข์ความเครียดปยปลอดภัยจากกิเลสตัณหาหลุดออกจากห่วงห่วงกังวลในใจได้ดทั้งหมดเนี่ยเอาอย่างแม่โครเลี้ยงลูกอ่อนปากของแม่โคก็เล็มยากคืองานที่ทําในปัจจุบันท้องก็แม่โคก็เลยอิ่มด้วยคือได้เงินใช้ได้เงินใช้ด้วยต้องทํางานก็ได้เงินใช้รู้เรื่องด้วยประโยชน์ก็ได้ในปัจจุบันก็ได้ และประโยชน์ทางปล่อยวางก็ได้ด้วยตาของแม่โคก็เหลือดูลูกน้อยขนาดที่เล็มยงยาก็เหลือดูลูกน้อยด้วยมันก็เลยได้ความปล่อยวางด้วยจได้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันทั้งชีวิตก่อนเป็นอยู่ด้วยและใจก็คงปล่อยวางด้วยถูกต้องแล้วเนี้ถูกต้องนะคำทําที่อาจจะมันจะเผลอมากไปหน่อยคือไปดูลูกมากเกินไปลืมเล็มยง้าหรือเล็มยง้าก็เล็มไปอย่างเอ็งไม่รู้เรื่องว่าย่ามันมันแก่มันอ่อนอะไรเงี้แต่ไปไปเหลือดูลูกมากเกินไปตอนสุขภายมันก็ยังหนักไปด้านใดด้านหนึ่ง บางทีว่าหนักไปทางดูลูกมากเกินไปหรือว่าหนักไปทางพูดคุ ย, คยเรื่องงานมากเกินไปกับุนดูลูกมันคงพัดไปพัดมาอย่างนี้นะแหละเป็นธรรมดาธรรมดาของเส้นทางการสุดษกต้องไนดะ้แบบเนี้ยถูกต้องเราก็ปฏิบัติอย่างนี้นะอ ย, อย่างที่อย่างที่โยมู่บี่ยเราก็ทําอย่านะตลอดเวลาที่ทํางานตอนเป็นกะลาว่า ท, ทํางานก็แอบใจก็แอบน้อมถึงความตายบราณันนุสติอยู่ตลอดเวลาเลยอยู่ตลอดเวลา ก็พัดไปพัดมาอย่างนี้เนี่ยคือหนักไปแดนน้อมมากทํางานทํางานข้างนอกเบื่อเบื่อหน่อยเราะอมาออกมาทำงานข้างนอกร้อยปอร์็นไอไอน้อมก็อ่อนแรงลงก็คือมันมันยังไม่ยังไม่ชํานาญพอชํานาญแล้วเนี่ยมันก็ทําได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันสองคนผมผมเมียเนี่ยเมีอะไรไม่ถามเอาแเอาให้พูดไหนพูดไหนถามไหนอ่ะพรุนี้จะกลับแล้ว โยนนีเอเอาเช้าเท้าหน้าก่อนครับเอาสักเต็มที่เลยเอาพรุนี้จะกลับแบบมีอะไรสักเปิดใจออกมาเลยตอนเดินจงกรมอะค่ะทีนี้อถ้าเดินช้าเนี่ยโยงก็ยังกับจิตส่งออกนอกไปไปไวมากเลยนี่ก็ลองเปลี่ยนเป็นเดินไวๆแล้วก็พุทโธไวๆ ก็ก็ดีขึ้นอยากถามอาจารย์ว่าโยมควรจะปฏิบัติยังไงเดินเร็วหรือเดินชา้าโดยที่เราสังเกตก็ถูกแล้วคือเดินช้าแล้วมันก็ใจหลอกมันก็พอจะฟุ้งซ่านออกไปเราก็รู้ตัวแบบนี้เราก็เดินเร็วเดเร็วก็ความฟุ้งซ่านมันก็มันก็หายไปหรือว่ามันน้อยลง แต่ที่ที่ผิดก็คือคือเราเนี่ยเดินไปด้วยพุทโธพุทโธพุทโธไปด้วยแต่เราไปหมายไว้ว่าอาการของจิตเนี่ยมันต้องนิ่งตรงตรงเนี้ยหมายผิดไปหมายผิดไปคืออาการของจิตมันจะฟุ้งซ่านหรือมันสงบเนี่ยก็สักแต่วรู้เราพุทโธพุทโธพุทโธเดินไปก็พุทโธไปเรื่อยจิตมันฟุ้งซ่านก็นสักแต่วรู้จิตมันสงบก็สักแต่วรู้ เราก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปแต่โยมของโยมพี่เนี่ยหมายผิดเอาไว้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตจะไม่ให้มันฟุ้งซ่านให้มันให้มันอยู่สงบนิ่งๆไม่มาฟุ้งซ่านหมายถึงว่าเราใจลอยหมดไปทั้งยวงเลยคือเราไม่ไม่ได้เราไม่ได้พุทโธไว้เราลืมพุทโธคือเราพุทโธพุทโธอยู่แล้วก็เราก็ลืมพุทโธเราทิ้งพุทโธแล้วก็เหม่อเผลอเพลอคิดอะไรไปตั้งนานแล้วกว่าจะรู้ตัวเอ้าทิ้งพุทโธมาตั้งนานแล้วอันเนี้ยอันนี้เรียกว่า อันนี้ฟุ้งซ่านจริงๆคือมันหลุดเลยหลุดไปทั้งยวงเลยแต่ถ้าเราพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยเรารู้ตัวอยู่ว่าเรารู้ตัวอยู่นะรู้ตัวอยู่ว่ากำลังพุทโธอยู่เนี่ยแล้วจิตมันคิดโน้นคิดนี้แทรกซ้อนมาตลอดเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าฟุงา้งซ่านเราก็เอสักตะวันรู้เขาเขาจะคิดยังไงก็สักตะวันรู้เขาเราก็พุทโธพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกตัวไปเรื่อยแม้แต่ บ, บางครั้งใจมันสงบมากเลยใจมันสงบมากเราก็ ต้อก็สงบไปเราก็พุทโธพุทโธสักเตารู้ใจที่สงบเดีกก๋ยวไม่สงบอีกเราก็พุโทโธพุทโธไปสักเรารู้ใจไม่สงบเดี๋ยวก็ใจมันก็สงบว่างมากเลยเราก็พุโทโธพุทโธไปสักเตารู้ใจสงบว่างเราอยากอยากตั้งเป้าหมายผิดว่า เ, ออเราพุโทโธพุทโธแล้วเนี่ยใจมันจะสงบว่างอย่างเดียวแล้วมันจะไม่ไม่เป็นฝ่ายที่มันมันคิดโนนคิดนี่ ม, มีมีกิริยาการของใจมันเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเราหลุดหลุด อ, อกจากพุทโธทั้งยวงเลยคือเราหลุดไปเลยแล้ว เ, เราไปคิดฟุงซ่านคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เราลืมพุทโธไปตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านจริงจริงอ๋อค่ะก็แสดงว่าพุทโธถึงแม้ว่าจิตจะส่งออกแต่เราให้รู้เร็วขึ้นอย่างนั้นหรือเปล<า>่าคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เออเออเดี๋ยวพี่เข้าใจผิดคําว่าจิตส่งออกเนี่ยคือหลักไม่มีเลยไปไปส่งจิตออกไปจริงๆคือทิ้งพุทโธเลยแล้วก็ไปทั้งยวงเลยเรียกว่าจิตส่งออกเรียกว่าจิตส่งออกนอก แต่ถ้าเราพุทโธพุทโธด้วยความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยแล้วมันมีความคิดอะไรแทรกซ้อนตอลอดเวลาอันนี้ไม่เรียกว่าจิตส่งไม่เรียกว่าส่งจิตออกนอกอ๋อโยมพี่คิดว่าถ้าอย่างพุทโธเดินไปก็ถ้าแว บ, บคิดไปถึงเรื่องลูกเรื่องอะไรเนี่ยก็อันนั้นจิตส่งออกเอ่อไม่<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่จิตส่งออกคือบรรลุเป็นทั้งยวงเลยพระโยมโยมพี่ไปตั้งเป้าอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นนี่หลเห็นแล้วว่าตั้งเป้าไว้ผิดก็เลยก็เลยบอก เพราะว่าโยมพี่ไปตั้งไว้ว่าพุทโธพุทโธแล้วมันจะต้องไม่แวะไปคิดถึงลูกเลยแล้วพยายามงดหงิดมากเลยที่มันไปคิดถึงลูกอีกแล้วเราพยายามไม่ให้มันคิดถึงไอ้การที่เราไปบีบบังคับแบบนี้มันผิดธรรมชาติคือธรรมชาติของจิตเขาต้องคิดนึกแล้วเขาเป็นเนี่ยอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเขาจะทนอยู่สภาพที่มันสภาพว่างๆเบาๆสงบสงบอย่างเดียวไม่ได้แล้วมันอยู่เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับของเราธรรมชาติของจิตเขต้องคิดนึกไมอยู่ในบังคับของเราแต่เราเนี่ย อันนี้หลักใจว่าอย่าหลุดไปกับเขาพ้าเราเนี่ยทิ้งพุโทโธแล้วหลุดไปคิดจริงๆอันเนี้ยส่งจิตออกนอกจริงจริงแต่ถ้าเราเนี่ยมีความรู้สึกตัวอยู่ในคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่เนี่ยแม้จิตก็จะคิดถึงลูกคิดอะไรไม่เรียกว่าตรงจิตออกนอกเป็นเรื่องของธรรมชาติของจิตต้องคิดนึกแต่เราก็ได้แต่สักแต่ว่ารู้แต่เราเนี่ยถ้าเราหลุดพุดโทโธเนี่ยเราไปนคนไปคิดเองเลยอย่างนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอก เราเข้าใจเราลองเราทบทวนคําพูดใหม่สิเ <ใน S 1> ข้าใจวรรยังไงจะดูซิว่าเข้าใจจริงหรือเ่ า, ว, าว่าเดินเดินพุทโธไปเนี่ยถ้าจิตนึกถึงลูกก็คือให้รู้เร็วแต่ก็ไม่ทิ้งพุทโธก็เดินเดินต่อไปได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคิดระยะยาวแล้วไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ที่ว่าจงจิตออกนอกใช่ไหมฮะอย่าไปหมายอย่างนั้นโยมพี่อย่าไปหมายอย่างนั้นถ้ายมพี่ไปหมายเงื่อนไขอย่างนั้นเนี่ย มันก็จะไปบีบบังคับจิตเราเนี่ยอย่าให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับกับตัวที่เรากําลังเดินเนี่ยเรากำเดินชมกลมอยู่เราให้มีความรู้สึกตัวเดินในความรู้สึกตัวแล้วก็รู้ว่าจิตเนี่ยเรากาลังบริกรรมพุทโธอยู่นั้นจิตเขาจะคิดยาวคิดสั้นอะไรอ่ะอย่าไปหมายว่ามันจะต้องไม่คิดยาวต้องคิดสั้นอย่างเงี้ยหรือว่ามันต้องไม่คิดเลยเดี๋ยวไปคิดเอาเราไปเดินอยู่เราพุโทโธอยู่จะไปคิดเรื่องลูกแดนมันส่งออกนอกแบบนี้เราไปตัดไม่ให้คิดเลยเลยเห็นทำมาหลายวันแล้วมันเครียดแล้วดามากเลย เอาีจิตออกมามันดําคล้า ม, มากเลยแล้วบอกต้อรู้ว่าให้พูดไ ห, หม่ก่อนยังกลับไม่ได้เพราะว่าถ้าถ้าไม่พูดออกมาเนมันผิดคือรู้อยู่แล้วว่าหมายผิดเลยแต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเอ่ะหมายผิดไปนี่เลยบอกว่าให้พูดให้พูดใหม่ออกมาให้ได้เพราะว่าหมายผิดไว้มันไม่ถูกคือเราตั้งค่าที่หมายผิดแล้วเราก็จะปฏิบัติผิดคือเราเนี่ยขอให้มีความรู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ หนึ will will be ่งให้มีความรู้สึกตัว <uma> ว่ากําลังทําอะไรอยู่กายร่างกายเราเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นคือหมายถึงว่าให้รู้สึกตัวว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่สองให้รู้สึกตัวว่าเรากําลังบริกรรมพุทโธอยู่คือมันต้องรู้ทั้งกายและจิตไงคือกายกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่าจิตเนี่ยกําลังบริกรรมพุทโธอยู่คือต้องรู้ทั้งกายและจิตว่ากายกําลังเดินอยู่กายกําลังทำกับข้าวกายกําลังทํางานบ้านกายกําลังซักผ้า ก็รู้ว่ากายกําลังทํางานอะไรอยู่เรียกว่ารู้กายแล้วต้องรู้จิตด้วยว่าจิตเนี่ยกำลังบริการพุทโธอยู่แต่ในขณะที่บริการพุทโธอยู่เนี่ยแล้วเรารู้ทั้งรู้ทั้งกายด้วยแล้วรู้ทั้งจิตด้วยจิตกำบริการพุทโธอยู่แล้วรู้ทั้งกายกำลังทำงานอะไรอยู่ในขณะนั้นเนี่ยมันจะมีความคิดแทรกจอดลอรขึ้นมาไม่ว่าจะคิดยาวคิดสั้นคิดคิดหรือไม่คิดจะสงบหรือไม่สงบเลยอย่าไปหมายอย่าไปสนใจตรงนั้นให้สนใจว่าเรานี่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่กับกายที่ทํางานอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็ รู้ว่าตัวเองย่งบริการพุทโธอยู่หรือเปล่าส่วนไอ้ที่จิตมันจะสงบหรือไม่สงบมันจะคิดยาวคิดสั้นคิดอะไรเนี่ยอย่าไปหมายว่ามันจะต้องคิดสั้นไม่คิดยาวมันจะต้องไม่คิดแล้วมันจะต้องไม่คิดนี้มันจะต้องเป็นอย่างงู้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ผิดนะหมายผิดคือปฏิบัติผิดเข้าใจผิดเลยนั่นเราก็จะทําให้เราปฏิบัติผิดตลอดเลยก็ดีก็ปวดหัวเดินเดินไปก็ปวดขมับงก็นี่ไงก็มันเรารู้อยู่แล้วว่าผิดแต่ใครพยายามพูดออกมาก็ไม่ เนี่ยเพื่อมันจะได้รู้ว่าผิดเนี่ยค่ะไอ้นี่นะมีผลเสียรู้ไหมที่ที่ที่มีผลเสียที่ทําให้เราเนี่ยมีปัญหามันจะมีปัญหาต่อระบบกายมีปัญหาต่อระบบจิตมันจะทําให้กระทบไม่ได้แล้วก็มีปัญหาต่อระบบจิตระบบประสาทเพราะว่าความเข้าใจผิดเนี่ยแล้วมีผลเสียร้ายแรงค่ะมันมีผลเสียร้ายแรงมันต้องต้อง เคลียร์ Clear ก่อนต้องให้มันเข้าใจชัดเจนถึงจะกลับไปได้แล้วก็ถึงบอกว่าเอาต้องพูดมาให้ว่ามันเข้าใจต้องถูกต้องจริงๆถ้าไม่ถูกต้องจริงๆเนี่ยผิดผิดพลาดอาหารแล้วก็อันตรายร้ายแรงก็คือมันจะต้องทําให้เนี่ยที่บอกว่าเดินไปปวดหัวมันร่างกายจะแย่มากแล้วมันจะกดจนแย่แล้วมันผลสุดท้ายระบบประจิตระบบประสาทเนี่ยมันจะอ่อนแอมากเลยกระทบไม่ได้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องสภาวะจิตใจตามมา เขาต้องบอกว่าต้องชัดเจนก่อนเข้าใจชัดเจนที่ถูกต้องก่อนแล้วก็พอชัดเจนถูกต้องต่อไปมันก็แก้ได้แหละแล้วก็แก่แก้ซะอ๋อเราเข้าใจผิดก็เอาใหม่คเข้าใจผิดก็เอาใหม่เอพราะว่าอะไรพอพอมันเข้าใจผิดเนี่ยแล้วเราไปทําผิดผิดตะกวดไว้เนี่ยมันไม่เหลืองมันไม่ผ่องใสมันไม่สว่างส ว, งสวยออกมาจากภายในมันดําไม่หมดเลยแล้วยิ่งบริกรรมเท่าไหร่มันทำไมมันยิ่งดํายิ่งดําออกมาท้องสีจิตมันดําออกมาหมด อันเนี้ยมันจะทำให้ปวดหัวแล้วมันเครียดแล้วก็คนข้างเคียงก็มีปัญหาด้วยเราก็มีปัญหา <Okay. S 1> นึกบอกว่าต้องกระเจผิดแน่นอนเลยต้องพูดออกมาให้พูดออกมาให้ได้ต้องกระเจผิดเข้าใจไหมเอาเข้าใจเข้าใจว่ายังไงอ่ะแต่ น, น, นี้พูดใหม่จะกลับบ้านแล้วพูดให้ถูกอ่ะแต่เนี้ยคือเดินพูดโทรไปจิตจะส่งแต่จะคิดอะไร ส่งไปคิดอะไเรื่องอะไรก็ตามเราเราก็รู้ตัวแต่ว่าเราไม่ใช่เพิดเพลินไปเรื่อยแล้วเราก็พูดถูกเราก็รู้แต่ว่าต้องให้รู้ไวขึ้นเพราะว่าเราส่งติดไปแล้วนะเราคิดนอกนอกจากพูดโธไปแล้วเราก็เดี๋ยวยังไม่ถูกอยู่ดีเดียเด๋ยวยังพี่ยังไม่ถูกนะตรงนี้ก็ยังไม่ถูกดีเนะี่ยกลับไปซ้ําเดิมอีกแนละเอาใหม่เอาหม่เหมตั้งหลักให้ดีเอาใหม่เยมพี่กลับมาพูดจังเก่าอีกลนะ้ คือระหว่างเดินตรงกรมมาดวงตาเดินตรงกรมไปอ่ะตัวโยมพี่เนี่ยชอบคิดเดินเดินไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าเงี้ยแล้วก็คิดแว บ, บไปหาลูกทีนี้แว บ, บนึ่งอ้าวก็รู้ตัวแล้วก็เอาใหม่ตั้งต้นใหม่เด้อพุโทโธใหม่พุโทโธไปทีนี้พอพุโทโธไปสักพักมันคิดเรื่องลูกนะคิดยาวไปจะ้วก็ลืมพุโทโธไปมึงก็ สกัสกสักรอบจะดีได้แล้วก็พอรู้ก็เอาตั้งต้นใหม่อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยหูตายอมที่อย่าไปไปหมายอย่างนั้นเราเนี่ยพุทธด้วยความรู้สึกตัวสบายๆแล้วรู้ให้รู้ตัวว่าร่างกายกํลาลังทําอะไรอยู่เราเดินจงกรมอยู่ก็รู้ว่าเดินจงกรมท่องกับข้าวก็รู้ท่งกับข้าว อย่างโยมพี่เนี่ยชอบทำกับข้าวเราก็ทำกับข้าวอยู่ใครรู้ตัวกำลังทํากับข้าวแล้วเราก็พุทโธไปด้วยระหว่างทากับข้าวของพุทโธพุทโธไปด้วยในความรู้สึกตัวคือรู้ด้วยว่าตัวเองกำลังพุทโธอยู่แล้วก็รู้ตัวเองกําลังทําข้าวอยู่มันคิดอะไรก็ตามไม่ว่าจะมันคิดถึงลูกคิดถึงอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปห้ามอย่าไปแทรกแซงมันจะคิดยาวคิดสั้นคิดอะไรอย่าไปอย่าไปสนใจขอให้ให้ความรู้สึกตัวเนี่ยว่าเรากายกําลังทําอะไรแล้วกระจบริกรรมพุทโธเนี่ยอย่าขาดแค่แน่เด้ง ให้อยู่กับความรู้สึกสตัวว่ากายกําลังทําอะไรใจกำลังบริกรรมพุทโธอยู่กับความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวว่ากายกําลังทําอะไรและใจก็อย่างบริกรรมพุทโธอยู่เส่วนจะคิดแรกรจอนถึงใครจะคิดยาวคิดสั้นอะไรอย่าไปห้ามอย่าไปหมายจิตมนจะดีไม่ดีอะไรก็อย่าไปหมายให้เอาอันเดียวหมายอันเดียวคือความรู้สึกตัวหรือเปล่าว่ากายกําลังทําอะไรใจบริกรรมพุทโธอยู่หรือเปล่ากายทําอะไรใจบริกรรมพุทโธอยู่เปล่าให้อยู่กับความรู้สึกตัวอยู่แค่นี้อย่าไปหมายว่า มันจะคิดถึงลูกไม่ได้มันคิดยาวแล้วมันคิดสั้นแล้ว่าไปหมายแบบนั้นให้ทิ้งไปเลยไอ้ความความเข้าใจเก่าเนี่ยทิ้งไปให้หมดค่ะเป็นไปตามธรรมชาติเพียงแต่รู้ถึงตัวตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่แค่ไหมคะมกําลังกายกำลังทําอะไรอยู่แล้วใจบริกรรมพุโทโธอยู่ไหมแค่นั้นแหละส่วนมันจะคิดถึงลูกคิดตึงอะไรตันี้คิดยาวคิดสั้นจิตมันจะเบาหรือไม่เบามันจะเป็นมันจะฟุงฟ้งซ่านในฟุ้งซ่านจะสงบหรือไม่สงบอย่าไปสนใจตรงเนี้ อย่าไปหมายไว้อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่อยู่เนี่ยว่ารู้สึกตัวอยู่ไหมว่ากายกําลังทําอะไรอยู่แล้วใจบริกรรมพุทโธอยู่ไหม <ober> อยู่กับความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวอันเดียวอย่างอื่นไม่ต้องเอารู้สึกตัวว่ากายกําลังทําอะไรอยู่ไหมใจกําลังคิดบริกรรมพุทโธอยู่ไหมรู้ ก, กายรู้ใจอยู่ตลอดเวลาส่วนมันจะไปคิดอะไรหรือว่าใจมันจะว่างไม่ว่างจะเบาไม่เบ า, ม, เบามันจะสบายไม่สบาย จะฟุงซ่าหรือมันจะส ง, งบอยไปนสนใจมันเหมือนจะกระเยอกกับความรู้สึกตัวเองอยังไงเด้อมันแบบพยายามอย่างที่ปฏิบัติมาหลวงตามันเดินไปแล้วมันคิดคิดกับพยายามดึงกลับมาให้อยู่กับพุทโธแล้วมันก็ไปคือโยมดี่ไม่ได้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติคิดจะคิดไปไงแต่ความรู้สึกตัวมันมันมีน้อยไม่ได้คิดตรงนันคิด หลุดไปเรื่อยแล้วตอนนี้ไอ้จากที่ผิดมาแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้เข้าใจยังว่ายังไงเข้าใจค่ะเข้าใจใหม่ได้อธิบายใหม่ที่ว่าเอาว่าเราบอกหน่อยที่ว่ากลับไปจะปฏิบัติอย่างไรอะ่ะคือเดินพุโทโธแล้วก็มันจะมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแต่ให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังเดินกาลังเดินพุโทโธอยู่กายเรากำลัง เดินอยู่ไม่ให้ไปไปบังคับว่าจะต้องอย่าคิดนะอย่าคิดยาวนะอะไรเงี้ยอะที่ผ่านๆมายโยมที่ชักจะเย่อความรู้สึกตัวเองดึงคล้ายๆดึงหลังกันเนี่ยเมือพอเดินเดินไปมันก็ปวดหล้าหลังขึ้น เงี่ยบอกมันผิดยัไงเห็นเห็นแล้วว่าผิดมันก็เลยเนี่ยคือมันรังสีจิตมันออกมาดําคล้ำหมดมาเล้เนี่ยปวดล้าระบบต้นคอระบบประสาทอะไรแบนี้มันทำผิดไงพอทำผิดในรังสีจิตมันจะออกมาดําคล้ำไปหมดเลยเร<ไ>ียกงรังสีอมหิตี่ยังสีอมหิตมันจะออกมาหมดนะดําไปหมดเลยพราะเห็นอยู่แล้วว่าผิดแต่พยายามให้พูดออกมาเนี่ยก็ไม่เนี่ยตรงนี้เน<แ>ี่ะแต่ถ้าไม่ไม่ปล่อยผิดซก่อนจะไม่รู้ว่าผิดกับถูกมันต่างกัน ไปคอยบอกว่าผิดผิดผิดผิดผิดผิดเกียจตายเลยนี่ไอ้ทาอะไรเนี่ยก็ผิดยันเลยอะไรเงี้ยคือให้บอกเนี้ให้เห็นเปรียบเทียบซะก่อนครับการทําเช่นนั้นน่ะมันไม่ถูกผิดก็ใจผิดแตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราไปไปไปบริการพุทโธไปรู้สึกตัวตอนเฉพาะเดินเดินจงกรมนะตอนทํากับข้าวด้วยนะตอนทากับข้าวตอนทํางานบ้านตอนถูบ้านตอนซักผ้าตอนทํานู่นทํานี่ปลูกต้นไม้รดน้ําต้นไม้ ก็เหมือนกันน่ยให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากายที่รดน้ำต้นไม้เนี่ยพุทโธอยู่กายที่ถูบ้านพุทโธอยู่กายที่ซักผ้าพุทโธอยู่ให้รู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกตัวอย่างนี้ตลอดเวลาว่ากายที่เข้าห้องน้ําก็พุทโธอยู่กายที่อาบน้ําก็พุทโธอยู่กายที่กินข้าวก็พุทโธอยู่ในใจกายที่รดน้ำต้นไม้ก็พุทโธอยู่กายที่ถูบ้านก็พุทโธอยู่คือให้มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากายเนี่ยที่กําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเขาบริการพุทโธอยู่ ไอ้ส่วนที่มันจะคิดอะไรแจกซ้อนจิตมันจะคิดเป็นยังไงจะสงบหรือไม่สงบอะไรมันจะคิดถึงใครอย่าไปสนใจอันนั้นนะไอ้เขาเป็นอิสระเลยแต่เราต้องอย่าทิ้งความรู้สึกตัวแค่นั้นเองความรู้สึกตัวนั่นแะคือสติที่หลวงปู่หลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านอ่ะสติอันเดียวเอาสติอันเดียวอย่าไปสนใจอย่างอื่นเอาสติอันเดียวคือความรู้สึกตัวนั่นแหละั น, น ไปเราไปไปหมายเอาอย่างอื่นเนี่ยมันผิดแต่นี้จะเอาความรู้สึกตัวเพื่อจะเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราก็จะทําอย่างเป็นธรรมชาติไปไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปไปเคร่งเครียดเหมือนกับการกระทําแล้วก็ทําอะไรก็ฝึกหัดแต้มันแบบมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาจะทําอะไรก็ให้ฝึกหัดให้มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้สึกตัวแต่กายที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันจะหยาบไปเพราะว่าเราก็จะเผลอไปคิดโน้นคิดนี่เราเลยต้องเอากายที่ทําอะไรให้บริการพุทโธไว้เป็นหลักไว้ มันจะได้ไม่ไม่ปล่อยวางแล้วไปคิดอย่างเดียวกายทําอะไรแต่ใจไปคิดอย่างเดียวเนี่ยมันมันเครียดมันฟุ้งซ่านจริงๆอันเนี้ยอันนั้ น, นมันต้องอะไรกายจะทําอะไรใจมันต้องบริการพุทโธไว้ให้เป็นหลักไว้มันจะได้ไม่ไม่หลุดจากหลักลอยไปหาคนนั้นลอยไปหาคนนี้อันนี้ทุกจริงๆและเครียดจริงๆฟุ้งซ่านจริงๆอันนี้ถ้าถ้าหลักถ้าหลักรุดแต่หลักเนี่ยมีไว้เพื่อให้รู้สึกตัวไม่ใช่ว่าหลักมีไว้เพื่อเพื่อเอาไปฆ่าอะไรไม่ให้คิดอะไร ไม่ใช่ว่าบริการพุทโธเนี่ยเพื่อเอาไปฆ่าความคิดอย่างอื่นให้ไม่คิดหลักบริการพุทโธเนี่ยเพื่อเอามาล่อความรู้สึกตัวไว้แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าบริการพุทโธเนี่ยเพื่อไปดับความคิดไปฆ่าความคิดให้ไม่คิดอะไรเลยอันนั้นเข้าใจผิ ด, ดกระจายชัดจริงนะอ่ะตอนนี้ก็ปฏิบัติกอกลับจากตรงนี้ดูอีกทีเออไอที่มันรังสีออกมาดำเนี่ยมันหายไหม ถ้าหายจริงแสดงว่าอาจจได้แล้ะเข้าใจถูกจริงเพราะว่าทําไมต้งบอกว่าคนที่พูดผมก็บอกว่าไม่ได้ปฏิบัติอะไรไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่คนที่บอกว่าปฏิบัติเก่งเียดมากเลยว่าทําไมมันเป็นอย่างงี้คนที่บอกปฏิบัติเก่งเคียดมากแล้วมันดำดำเราสีออกมาดําครัาไปหมดแล้วคนไปปฏิบัติอะไรทำไมเหลืองผ่องใสนะมันแสดงว่ามันเข้าใจกันคนละอยา่างคนที่ปฏิบัติคือมันจะต้องปล่อยวาง ปฏิบัติด้ความปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางเราแค่บีหลักรู้สึกตัวไว้แค่นั้นแน่แต่เราก็ปล่อยวางทุกอย่างไม่เข้าไปยึดอะไรไม่ใช่ว่าแม้แจะไปยึดกองรู้สึกตัวนะโอ้ยไม่รู้สึกตัวไม่ได้เลยต้องรู้สึกตัวไว้เครียดตายเลไอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกตัวตามธรรมดาเนี่ยฝึกจนเป็นความเคยชิด <S <S ถ้าไปทําอะไรแล้วไปเครียดกับอะไรเข้ามันก็เท่ากับไม่ปล่อยวางแม้แต่ความรู้สึกตัวก็ทำความรู้สึกตัวด้วยความปล่อยวางไม่ใช่ว่าโอไม่รู้สึกตัวไม่ได้นะ ตายอย่างเดียวแล้วต้องตายอย่างเดียวต้องรู้สึกตัวไว้อะไรเครียดตายแต่เนี้ยถ้าเรับปล่อยวางอนี่ยทำด้วยความปล่อยวางมันก็เหลืองผ่องใสสว่างสไบเอาไว้ทั้งในใจนอ่ะแล้วเข้าใจเนาะเออ